เขียนท่านเคยเล่านะว่าประมาณสักยี่สิบกับปีที่แล้วหรือว่านานกว่า น, นั้นเคยมีพระบทใหม่นะพี่ชายนีพามาหาท่านหน้าตาก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะพระเนี่ยพี่ชายพามาเพื่อมาปฏิบัติกับหลวงพ่อ หลวงพ่อก็ให้กรรมาฐานไปนะให้เดินจงกรมให้สร้างจังหวะผ่านไปแค่หนึ่งวันนะพารุษนั้นก็มาหาหลวงพ่อนะมาขอศึกก็บอกว่ารับปากพี่ชายนะว่าจะบวชตอนนี้ก็บวชแล้วเนะี่ยแล้วก็บอกว่าไม่ได้บวชมาเพื่อปฏิบัตินะ เมื่อรับเปล่าพี่ชายแล้วก็บวชให้แล้วเนี่ยก็จะขอศึกแล้วหลวงพ่อท่านก็แม่นุญาตแล้วก็ให้กลับไปปฏิบัติแล้วก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่หายไปพักใหญ่นะเขากลับมาเขาพูดเหมือนเดินนะว่าจะขอศึกหลวงพ่อก็แม่นิยา่า ให้กลับไปปฏิบัติหายไปสักชั่วโมงได้เนี่ยก็หม่ทีนี้พูดเหมือนเดิมลบาเราจะขอสึกให้ได้หลวงพ่อก็เลยถามว่าอะไรพาให้คุณมาที่นี่อะไรพาคุณมาหาผมบางมนก็คิดสักพาร์เราบอกว่าความคิดครับหลวงพ่อก็เลยถามต่อไปว่า มันคิดแล้วนี่ต้องทําตามความคิดทุกอย่างเลยนะถ้าทําตามความคิดทุกอย่างนี่ไม่แย่เลยแล้วหลวงพ่อก็เลยให้เขากลับไปปฏิบัติต่อพาลุงนั้นก็มีสีดน้าไปพอใจตอนนั้นคงก็คั่มแล้วนะเย็นแล้นะเช้าตรูท่ทาวัดเนี่ยพอพาลุงนั้นเนี่ยเห็นหลวงพ่อก็รีบมาเลยแต่คณั้งนี้แทนที่จะขอศึกนะก็มากราบเท้าหลวงพ่อ แล้วก็บอกขอบคุณหลวงพ่อที่อไม่สึกให้เขานะพระรุ่นก็สารภาพว่าเนี่ยถ้าหลวงพ่อสืบให้เนี่ยเขาก็คงจะไปฆ่าคนป่านนี้ก็คงจะฆ่าคนไปเรียบร้อยแล้วพระรุ่นก็บอกว่าเนี่ยตอนที่เดินจงกรมอยู่นก็คิดตลอดเวลาว่าเนี่ย จะแย่ปืนจากน้องชายแล้วใชได้ปืนแล้วจะไปฆ่าคนสองคนก็คงจะเป็นเมียกับชู้นะแล้วก็คิดกระทั่งว่าเนี่ยฆ่าเสดจจะหลบไปไหนแต่พอหลวงพ่อพูดอย่างนั้นเนี่ยนะพูดทักท้วงเขาเลิดได้คิดนะก็เลยมากราบขอบคุณหลวงพ่อนะ ที่ช่วให้เขานี่ไม่ไปเป็นฆาตกรต่หลวงพระรู้ไหก็ไม่ได้สึกนะก็อยู่ไปเรื่อยนะแล้วก็เขาจะว่าจะตายในพระเหลืองที่หลวงพ่อได้ย้อนกลับไปยังพระหนุ่มรูปนั้นเนี่ยนะว่ามันคิดขึ้นมาต้องทาตามความคิดทุกอย่างเลยนะ <Yeah. S 1> ถ้าทาตามความคิดทุกอย่างไม่แย่เลยนี่อันนี้มันจริงทีเดียวนะ เพราะว่าถ้าหากว่าพระผู้นั้นนี่ทําตามความคิดแล้วก็หลวงพ่อก็คล้อยตามยอมจึกให้เขานี่ชีวิตก็คงจะย่าแย่มากกายมป็นคาตกรติดผู้ติดตารางความคิดเนี่ยเราต้องไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องทําตามมาทุกอย่างนะ่ถ้าทําตามมาทุกอย่างเนี่ยนะเราก็คงจะแย่ต้องรู้จักทักท้วงเหมือนบ้าง เมื่อวานที่ถามว่าทีมทินิมิตถามว่าเนเออความคิดนี่มันไม่ดีอย่างไรนะอ่ามันดีถ้าเกิดว่าเราใช้มันนะเรารู้จักใช้มันแต่ถ้าปล่อยให้มันใช้เรานี่เราแย่นะ <c oughs> ความคิดนี่มันเป็นเบาวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวก็มันก็นเงินนั่นนะเงินนี่เป็นเบาวที่ดีเป็นนายที่เลวถ้ามันเป็นนายแล้วเมื่อไหร่อ่าชีเราก็แย่เลย ไหนจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อมันนะหรือว่ายอมทําทุกอย่างเพื่อมันไนอะ้ยอมทําทุกอย่างนี่ก็อาจจะรวมไปถึงลักขโมยคอร์รัปชันหรือว่าจะฆ่านะเราจะเคยได้ยินข่าวคนบางคนนี่ฆ่าพ่อฆ่าแม่นะแล้วก็ทําเป็นเนียนนะว่าเป็นการฆ่าตัวตายบ้างเป็นมีโจรมาฆ่าบ้างสาวไปสมัครประกวาลูกนี่ ทำบางรายนี่ไม่ใช่ค่าพ่อค่าแม่เดียวค่าพี่ด้วยนะเพื่อหวังรูปมรดกอันนี้ก็เพราะว่าเงินมันกลายมันเป็นใหญ่นะ <c oughs> เงินมันกลายเป็นนายนะพอเงินกลายเป็นนายแล้วก็สามารถจะทําอะไรที่เลวร้ายได้แต่ถ้าเราใช้เงินหรือว่าเราเป็นนายมันนะอันนี้มีประโยชน์นะเราสามารถจะ นำเงินมาใช้ทําประโยชน์ได้มากมายอย่างอนาธบินที่กาเศรษฐีนา่าวิสาขานี่ร่ํารวยแต่ว่าก็ไม่ปล่อยให้เงินมาเป็นนายนะท่านก็เป็นนายของเงินก็เอาเงินมาใชใ้เป็นประโยชน์นะต่อศาสนามีเศรษฐีจํานวนมากนะที่อ่าเป็นนายของเงินเมื่อสองสาปีก่อนก็ได้ขามีเศรษฐีชาวอเมริกันคนหนึ่งนะรวยมากนะทํา ทำธุรกิจร้านค้าปลอดภาษีตามสนามบินได้เงินมาทรัพย์สมบัติแกทั้งหมดมีประมาณ2ล้าน2แสนหรือ3แสนล้านบาทแต่ปรากฏว่า90 ก, กว่าเปอร์เซ็นต์ของเงินที่แกได้นี่แกบริจาคหมดเลยให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตัวแกก็เอาใช้ นาฬิกาถูกถนะูนักคาสิโอราคาสี่ห้าร้อยบาทนะแล้วก็ไม่มีรถส่วนตัวนะนั่งใช้บริการขนส่งสาธารณะบ้านก็ไม่ได้หรูอะไรนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนที่ใช้เงินมากกว่าให้เงินใช้นะ น, นี้คนมักจะคิดว่ามันแค่เงินเท่านั้นที่ไม่ควรเป็นนายเราที่จริงนอกจากเงินแล้วมันก็ยังมีความคิดอีกเหมือนกันความคิดเนี้ยก็ มันก็ดีนะถ้ามันเป็นบ่าวเราคือเราใช้มันแต่ถ้าเราไปมันใช้เรานี่เราแย่เลยอย่างต่ําๆก็นอนไม่หลับนะเครียดคิดไม่หยุดนะความที่พอฟุ้งร้างแล้วมันไม่หยุดเลยนะมันก็คิดไปเรื่อยถ้าส่วนใหญ่ไม่ได้คิดดีนะก็คิดไม่ดีมากกว่าคิดไม่ดีในในแง่ที่ว่าฟุ้งซ่านไปเรื่อยนะหรือไม่ก็คิดลบคิดร้ายอันนี้ก็หนักเข้าไปใหญ่ ก็ทำให้ร้อนรุ่ปรุ่มใจนะหรือว่าน้อยเนื้อต่ำใจสารพัดความคิดนี่ทีแรกเราใช้มันนะแต่ว่าถ้าปล่อยมันไปเรื่อยๆเนี่ยมันใช้เราคนคนเวลาจะทำชั่วเนี่ยก็สามารถจะสันนัยเหตุผลมารองรับการกระทำได้นะม่ว่าจะเป็นคอรับชั้นคอรับชันเพื่อชาตินี่ก็ ีเยอะนะเหตุผลแบบนี้นะหรือว่าจะไปกินเหล้าติดยาเนะี่ยคนนี้ก็มีเหตุผลแต่คนนี้เนี่ยนะในเมื่อเรารู้ว่าความคิดเนี่ยมันถ้ามันเป็นนายเราเมืม่อไหร่นี้เราแย่แต่เราจะเป็นนายมันได้อย่างไรก็นี่แหละต้องรู้จักทักท้วงความคิดที่มันพุดขึ้นมาใน ใ, นใจนะเวลามันคิดขึ้นมาเนี่ยมันจะดูสวยหรู มันจะดูมีเหตุมีผลมากเลยแม้แต่จะฆ่าใครสักคนหรือจะด่าใครสักคนนี่ก็ต้องมันก็มีเหตุผลที่รองรับนะเช่นว่าต้องสั่งสอนันหนอนไม่งั้นมันจะได้ใจนะต้องเอามันนะและความที่แบบนี้ทำให้คนเรานี่ให้อภัยกันไม่ได้ทางที่การการให้อภัยนี่มันเป็นประโยชน์นะ มันเป็นวิธีในการปลดเปลื้องความโกรธออกไปจากใจเราหลายคนเนี่ยเมื่อโกรธเนี่ยก็รู้สึกเป็นทุกข์นะแต่ก็มักจะมีเหตุผลในการที่จะประคองรักษาหรือว่าประคบประงมความโกรธเอาไว้เช่นต้องโกรธมันนะจะไม่โกรธก็ต่อเมื่อมันมาให้อภัยถ้ามันไม่ให้อภัยกูมันไม่ให้อภัยกู ถ้ามันไม่มาขอโวยกูกูก็ไม่ให้แพมมันเด็กขาดหรือมางคนก็ถึงขั้นว่าชิปหายนะไม่เป็นไรขอให้ได้เล่นงานมันขอให้ด่ามันแต่ชิปหา ย, ไ ง, ย, ย ไ, ว ไ, วไงกูก็ยอมจะวายว่อดไงกูก็ยอมมาขอเล่นงานมันด่ามันอันนี้ก็เป็นความคิดนะเป็นเหตุเป็นความคิดที่มันทําให้คนเนี่ ย, ยหลงจมอยู่ใน ความโกรธความพยาบาทแล้วเราต้องรู้จักทักท้วงมันอย่าไปเชื่อมันทุกอย่างนอกจากการทักทวงแล้เนี่ยหรือว่าเราจะทักทวงมันได้เนี่ยต้องรู้ทันนึงก่อ น, ต, อ น, น, นต้องรู้ทันมันคิดขึ้นมาต้องรู้ทันมันไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันลากลู่ถู ก, กังไปส่วนใหญ่ที่พอคิดขึ้นมาปุ๊บนี่นะมันก็คร่อบนําใจเราเลยไอ้ตอนนั้นเนี่ยเราเรียกว่า ถ้าพูดภาษาธรรมะคือว่ามันไม่เห็นความคิดนะจิตไม่เห็นความคิดแต่ว่าไปเป็นผู้คิดไปสละหรือไปยึดว่าความคิดนั้นเป็นเราเป็นของเราเวลาคิดเนี่ยถ้าเราถ้าเรารู้ทันมันนะก็จะเห็นว่าความคิดก็อันหนึ่งนะใจเราก็อันหนึ่งมันจะเห็นออกมาเป็นคนละส่วนคนละอันแต่ถ้าเราไม่ไม่รู้ทันนะก็กลายเป็นว่าเรากับความคิดเนี่ยอันเดียวกัน ความคิดคือกูกูกูความคิดเนี่ยมันเรียกว่าเกิดตัวกูของกูขึ้นมาเป็นเป็นเจ้าของความคิดนั้นในการที่จะรู้ทันได้ต้องอาศัยสติเนี่ยสติมันทาให้เห็นว่าความคิดก็อันหนึ่งใจก็อันหนึก็เมืก็เวลาเรารู้ทันอารมณ์เนี่ยเรารู้ทันอารมณ์เมื่อไหร่เนี่ยก็จะเห็นว่าอารมณ์ก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งจะเป็นความโกรธความเศร้าก็ตาม แล้วตรงเนี้มันทําให้เราจะเดือดร้อนหรือจะทุกข์เพราะมันเนี่ยก็น้อยลงเหมือนเราเวลาเราเห็นเหมือนกับมีกองไฟเนี่ยนถ้าเราเห็นกองไฟนะหรือว่าเราเดินออกมาจากกองไฟเนี่ยนะกองไฟมันก็ไม่ทําให้เราทุกนะมันก็ยังอยู่นะแต่ว่าเราไม่ร้อนเราไม่ทุกนะเพราะว่ามันมีระยะห่างระหว่างกองไฟกับเราแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลา มีความโกรดเกิดขึ้นมันก็เหมือนกับว่าเดินเข้าไปในกองไฟหรือว่าจมเข้าไปในกองไฟแล้วเนี่ยไฟมันก็เผามันก็ร้อนก็ปวดก็ทรมานอันนี้เราเป็นเป็นผู้โกรธแล้วไม่ใช่เห็นความโกรธแต่ว่าความโกรธนี่มันรู้ทันได้ได้ยากกว่าการรู้ทันความคิดนะรู้ทันความคิดนี่มันจะง่ายกว่าเพราะว่าอารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์โกรธที่มันมีแรงดึงดูดมากมันดูดเข้าไปเลย แต่ที่มันเกิดที่มันการที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอารมณ์เนี่ยก็ต้องเกิดจากความคิดก่อนนะอย่างเราอยู่ตรงนี้เนี่ยนะนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ ย, ย, ยถ้าสั่งให้โกรธเนี่ยทุกคนจะโกรธไม่ได้เลยจนกว่าจะคิดถึงให้ใครบางคนนะที่มันทําร้ายเรามันโกหกเรามันโกงเราหรือทําตัวน่าละอายน่าราัารางเกียจนีหรือคนที่เราไม่ชอบ ต่อมาคิดถึงเขาคิดถึงการกระทําของเขาเนี่ยจึงจะโกรธนะอยูดีๆจะให้โกรดนี้มันไม่ได้นะความโกรธไม่ใช่ว่าเราจะสั่งให้มันเกิดขึ้นแม้แต่ไฟเนี่ยเราจะสั่งให้มันเกิดเองทําไม่ได้เราต้องจุดมันก่อนเราต้องจุดนะหรือว่าจุดกับกลักไม่ขีดหรือว่าจุดไฟขึ้นมาเนี่ยมันถึงจะเกิดเป็นเปลวขึ้นมาได้ ความคิดเนี่ยมันต้องความโกรวมันต้องเกิดจากความคิดก่อนนีอถ้าเกิดว่าเรารู้ทันความคิดเนี่ยนะมันก็ไม่ปรุงไปเป็นความโกรธไม่ปรุงเป็นอารมณ์นะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เศร้าอารมณ์น้อยเนื้อต่ำใจเสียใจอะาไราอววรู้สึกผิดพวกนี้มันต้องเริ่มต้นจากความคิดก่อน ถ้าเราไม่รู้ทันความคิดเนี่ยมันก็ลากลูทูกลางเราเข้าสู่หลุมอารมณ์นะซึ่งก็ตามมาด้วยความทุกข์เนี่ยการที่เรารู้ทันความคิดเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเสามารถจะทักทวงความคิดแล้วก็เป็นนายความคิดได้ถึงเวลามีปัญหาต้องแก้ไขเราก็ใช้ความคิดนั่นแหละแก้ปัญหา เพราะว่าถ้าเราไม่ใช่ความคิดเราก็ไม่เห็นทางออกของปัญหาความคิดมีประโยชน์นะแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักวางเราด้วยนรู้จักหยุดคิดด้วยถ้ายัางคิดไม่ออกอก็ไม่เป็นไรวางเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอามาคิดใหม่นะเพราะตอนนี้ได้เวลานอนแล้วตอนนี้อได้เวลาอ่อยู่กับลูกแล้วอยู่กับ ครอบครัวอยู่กับพ่อแม่แล้วเนะเมื่อเวลาอยู่กับผู้คนเราใจเราก็ต้องเต็มร้อยกับเขาเนะเห็นว่าตระหนักว่าเขาเป็นคนสําคัญที่สุดในเวลานั้นส่วนเรื่องคิดหาทางออกนี่ก็ตาเอาไว้ก่อ น, นอันนี้เราว่ารู้จักหยุดหยุดคิดได้ เ, เมื่ออยากจะคิดก็คิดได้อย่างมีทิศทางเมื่อจะหยุดก็หยุดได้วางมันลงได้ จากคนสมัยนี้เนี่ยนะวางความคิดได้ลำบากมากนะพอสตาร์ทแล้วมันหยุดไม่ได้นะมันก็เหมือนกับรถนะรถที่เครื่องยนต์นี่เร็วแรงนะสามารถจะวิ่งได้เร็วนะเครื่องแรงมากสองร้กิโมตต่อชั่วโมงสารกิโลไม่ต่อช่โมงน้สบายนะแต่ถ้ารถคันนั้นไม่มีเบรกเนี่ยนะ มันน่านั่งไหมมันตรายนะความคิดของคนสมัยนี้มันเหมือนกับรถยนที่เร็วแรงแต่ไม่มีเบรกจะอยู่ก็แต่เมื่อหมดน้ำมันนะน้ำมันหมดถึงค่อยหยุดนะก็คือว่าหมดสภาพไปแล้วนะเหนื่อยละนะ้าถึงค่อยหยุดหรือว่ า, าถึงค่อยหลับสลบไปนะทำไม่ไม่หลับก็ต้องหาทางหยุดด้วยการใช้ยานะกินยา เพื่อจะได้หลับยานอนหลับนี่ก็เลยกลายเป็นสินค้าขายดีของคนยุคนี้นะเพราะว่าไม่สามารถจะคุมความคิดได้นะคนที่คิดเก่งคิดเร็วคิดไวนะแต่ว่าหยุดคิดไม่ได้นี่ก็ จ, จะเปรียบเหมือนกับเครื่องบินที่เครื่องบินหรือคนขับเครื่องบินที่สามารถจะพาเครื่องบินขึ้นฟ้าได้นะแต่ว่าไม่สามารถจะเอาลงได้นะ ไมสามารถที่จะทําให้มันล่อดลงแบบแบบลื่นได้แบบซนะอฟต์แลนดิ้งเนี่ยถ้าเราเก่งในการเอาขึ้นเครื่องบินขึ้นฟ้าเอาเครื่องบินขึ้นฟ้าแต่ว่าเอามันล่อนลงไม่ได้อย่างปลอดภัยนี่มันก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดเก่งคิดเร็วคิดไว้นะก็ต้องรู้จักหยุดคิดได้หรือว่าวางความคิดได้อันนี้สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นนายความคิด อันนี้ถึงจะเรยกได้ว่าเออเราใช้มันจริงๆระถึงเวลาใช้เราก็ใช้มันได้ดีให้เกิดผลได้ถึงเวลาจะหยุดใช้เราก็ก็วางมันลงได้เครื่องไม้ของเครื่องไม้ของเครื่องมือของเราก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เลยถึงเวลาจะใช้ก็เปิดสวิตช์นะถึงเวลาหยุดใช้ก็ปิดแต่ความพิ้งเรามันไม่อย่างนั้นนะพอเปิดแล้วมันก็มันก็แหลงไปเรื่อยๆหยุดไม่ได้จนกว่าพลังงานไฟฟ้าหรือว่าน้ามัน มันจะหมดนะมันก็จะดับนะไอ้สติมันช่วยมากนะในการที่จะทําให้เรารู้ทันความคิดแล้วก็สามารถจะทักท้วงความคิดรวมทั้งตรวจสอบความคิดด้วยว่าเออความคิดที่มันดีไหมไม่หลงเชื่อมันง่ายๆเวลาคิดดีก็ไม่ได้ดีอกดีใจอะไรมากนะเพราะว่าไอ้ความคิดดีๆเนี่ยมันก็เราก็จะรู้สึกว่ามันดีต่อเลรกๆนะรู้สึกตื่นเต้นกับมัน แต่พอผ่านไปสักพักอาจจะรู้สึกว่าเออมันน่าเบื่ออหลายคนนี่เป็นประเภทพวกจอมโปรเจกต์นะมีคําเรียกนะจอมโปรเจกตนี่คือว่าคิดได้เยอะมากเลยแต่คิดไปสักพักก็เบื่อแนละ้วก็วางแล้วก็ไปคิดใหม่อคนเหล่านี้เนี่ยทีแรกตอนที่เขาคิดเนี่ยนะเขาจะรู้สึกว่าโอ้มันเยี่ยมมากเลยสุดยอดนะแต่พอผ่านไปสักสอ ง, ส, องสาวันก็รู้สึกว่ามันไม่เข้าท่าแนละ้วก็ยังดีนะที่ยังก็ยังเห็นว่าเป็น เห็นมันมีจุดอ่อนแต่บางคนนี่พอคิดแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่คิดว่าตัวเองยอดอย่างเดียวไม่ได้คิดว่ามันยอดอย่างเดียวนะก็ยังยากให้คนหนึ่งเห็นเหมือนตัวด้วยพอคนหนึ่งเห็นไม่เหมือนตัวนี่ก็โกรธนะไปว่าเขาเนี่ยเสร็จแล้วตัวเองไม่ใช่ไม่นานก็เบื่อก็ทิ้งมันไปเหมือนกันบางทีเปรียบเหมือนกับเด็กนะเด็กที่ไปก่อปราสาททรายบนชายหาบนี่ย ตอนที่เด็กกอบประสาททายให้โหเด็กนี่ภูมิใจมากนะแล้วถือเป็นเจ้าข้าบเจ้าของมาใครจะมาแตะใครจะมาต่อเติมเสรมแต่งนี้ไม่ยอมนะบางทีก็ถึงกับลงไม้ลงมือเพื่อปกป้องประสาททายนะแต่พอถึงตกเย็นเนี่ยแม่พ่อเรียกไปเที่ยวนะไปกินข้าวนะเด็กนี่ไม่ไม่ไม่ใช่แค่ไปอย่างเดียวนะก่อนไปก็กระทืบประสาททายทิ้งก่อน นะไอ้ตอนแรกมีนหวงมากหวงแหนมากเลยนะแต่พอตอนพอผ่านไปหลายชั่วโมงชักเบื่อนะแล้วมันก็ะเทิบเองเลยนะความคิดของเราบางทีก็ก็เป็นอย่างนั้นนะคือทีแรกที่มันสวยหรู โ, โหเยี่ยมยอดผ่านไปสักหน่อยนี่ก็รู้สมไม่เข้าท่าแล้วนะแต่แทนที่เราจะเห็นว่ามันแทนที่เราจะเห็นว่ามันมีจุดอ่อ น, น, นตั้งแต่อ่าในตอนท้ทายเนะี่ยเราก็ ก็ทักทวงตัวเองก่อนนะเออว่าโอ้มันยอดมันยอดเนี่ยตอนที่เัว่มันยอดเนี่นยก็ทักทวงตัวเองก่อนว่าเออมันอาจจะไม่ยอดไม่เยน็นจริงก็ได้นะอย่าเพิ่งไปดีใจมากใครจะมาแตะใครจะมาต้องอย่าไปโกรธเขาถ้าเราใช้ความคิดเป็นนะเราสามารถจะใช้ความคิดในการแก้ทุกของแก้ทุกของตัวเองได้หาทางออกในการแก้ปัญหาของตัวเอง หรือแม้กระทั่งว้จัยใช้ความคิดในการเปลี่ยนความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆอย่างเช่นเวลาเจอปัญหานะเราลองคิดมันในแง่บวกดนะูการที่ลองมองคิดมันในแง่บวกเนี่ยก็เป็นการใช้ความคิดอีกแบบหนึ่งนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่รู้ทันความคิดเนี่ยมันจะคิดแต่ในแง่ลบอย่างเดียวนะเจอแล้วก็เห็นลบไปหมด เพราะว่าเป็นความคุ้นเคยเป็นนิสัยความเคยชินในการที่คิดแบบนั้นคนที่คิดล้มนี่หลายคนไม่รู้ทันตัวเองไม่รู้ทันความคิดแต่ถ้าเกิดเรารู้ทันความคิดของตัวเองเนี่ยก็พยายามยใช้มันโดยมองในแง่บวกยอย่างมีมีหัวหน้าทียาบางึีแเป็นมะเร็งแล้วมะเร็งที่แกเป็นเนี่ยมันมันต้องใช้การรักษา เคมีบำบัดแล้วก็การฉายแสงในปริมาณที่สูงมากแล้วก็คนไข้ส่วนใหญ่พอเจอโดสสูงๆแบบนี้แล้วเนี่ยก็มักจะแพ้แพ้อย่างแรงเจ่โพยาบาลคนนี้นะแกก็ได้รับ ก, การฉายแสงใช้เค ม, มีโมเหมือนโดสสูงๆเหมือนคนอื่นแต่แกไม่แพ้คนก็แปลกใจว่าแกทําได้อย่างไงแกมีอะไรดีหรือเปล่าแกบอกแกก็ไม่ทําอะไรมากแนละแกก็ ก็พยายามก็มองนะพยายามมองว่าเวลาได้รับการฉายแสงก็คิดว่ากาลังได้รับแสงสวรรค์เวลาฉีดเคมก็คิดว่ากาลังได้รับน้ำทิพย์เนี่ยพอแกคิดแบบเนี้ยนะใจแกก็ไม่ต้านแกรสึกว่ายอมรับไอเคมแล้วก็การฉายแสงได้พอใจมันเปิดรับไม่ปฏิเสธเนี่ยร่างกายก็ก็ปฏิเสธน้อยลง เพราะฉะนั้นในการแพ้ก็เลยน้อยลงไปด้วยอันนี้ก็เรียกว่าแกตั้งใจคิดนะแกตั้งใจมองแต่ว่าการมองแบบนี้ยมันทําให้แก่รู้สึกดีขึ้นเพราะว่ามันช่วยระงับความกลัวช่วยงับความรู้สึกต่อต้านข้างในอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการใช้ความคิดแบบหนึ่งนะเป็นการใช้ความคิดเพื่อแก้ปัญหาของตัวเองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเป็นนายความคิดเหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่เนี่ยปล่อยให้ความคิดเป็นนายเรานะก็เลยมองอะไรเป็นเป็นลบนะแต่พึ้นตะผือนะแต่แล้วตัวเองก็ทุกเองนะเจออะไรก็ไม่ไว้ไม่ชอบไม่ดีนะมองอะไรเห็นแต่ข้อไม่ดีไปหมดนะแต่แตัวเองก็เลยทุกนะทุกก็ความคิดนะความคิดของใครนะนะถ้าจะพูดง่ายๆก็คือความคิดของตัวเองนะ แต่จริงๆมันก็ไม่ใช่ความคิดตัวเองหรอกนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผุดขึ้นมาเพราะว่าเป็นที่สายที่สะสมกันมานานความ to คิดมันก็ไม่ใช่เราของไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอ่ะนะแต่ว่าพอไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อไหร่เนี่ยมันก็สามารถจะอ่ามันก็กลายเป็นนายเราทันทีนั่นก็แปลนะอะไรที่เราไปยึดว่าเป็นของเราเนี่ยทันทีที่เรายึดเป็นของเรานะมันกลายเป็นนายเราเลย คนที่ไปยึดมันถือมั่นในรถในบ้านว่าเป็นของเราเนี่ยทันดีทันใดนั้นเนี่ยมันกลายเป็นนายเราทันทีรถมีรอยมีมีรอยขีดข่วนนิดหน่อยว่าโอ้ยนอไม่หลับนะกลุ่มหมอกกุ้มใจส่วนส่วนใหญ่เนี่ยไปไปยึดมันถือมั่าเงินเป็นของเราเพชรพลอยเป็นของเราแล้วก็ไม่รู้ตัวนะว่ามันกลายมาเป็นนายเราทันทีเรากลายเป็นของมันทันที มีคนมาจีนะ้เอาเงินมาในซอยเปลี่ยวเนะ่หลายคนนี่พร้อมจะตายนะเพื่อเพื่อเงินในกระเป๋าไม่ยอมให้มันเอาไปไม่ยอมให้โจรเอาไปบางทีเกิดการต่อสู้ขัดขืนตายยอมตายเพื่อเงินเนะพราะไปยิดมันเป็นของเราเราการนของมันทันทีบ้านไฟไหม้นะโอตกใจเสียใจ ตื่นตระหนกเพราะว่ามีทองอยู่ในนั้นกลัวว่ามันจะถูกไฟเผาทันยังไงก็ยอมเสี่ยงตายนะไปเอามันออกมาจากบ้านก็รู้วันตรายนะแต่ยอมตายยอมตายเพื่ออะไรเพื่อมันอันนี้ก็แปลว่าเราเป็นของมันแล้วไม่ใช่มันเป็นของเราเนี่ยความคิดก็เหมือนกันนะพอเราเยอะมันเป็นเรามันเป็นของเรานะ่งเราเป็นของมันทันทีน เราพร้อมที่จะตายเพื่อปกป้องมันหรือว่าพร้อมที่จะทำลายคนอื่นเพื่อปกป้องมันพร้อมที่จ ะ, ะทะเลาะบบกแวงกับคนใกล้ตัวลูกเมียพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อปกป้องมันทั้งที่พอผ่านไปสักหน่อยก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่เข้าทา่าโยนมันทิ้งไปก็มือคนที่หลายคนที่ยอมตายเพื่ออุดมการ เข้าป่าเพื่อไปต่อต่อสู้เพื่ออุดมการณ์แต่ว่าผ่านไปสิบปีสิบปีก็ก็เห็นแล้วว่าอุดมการณ์เหล่านี้มันไม่เข้าทาก็ทิ้งมันไปอันนี้ก็เป็นธรรมดานะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอ น, นิจจังแต่มันก็ชี้เห็นว่าสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นในวันนี้เนี่ยว่าเป็นเรื่องสําคัญเป็นเป็นสิ่งที่พอขาดบาดตายเนี่ยวันดีคืนดี ผ่านไปไม่นานแล้วก็เห็นมันไร้ค่าไม่มีประโยชน์อันนี้เพราะว่าไปอุปทานนะความยึดมันถือมันนเะี่ยโดยที่ไม่รู้เท่าทันว่าสักวันหนึ่งมันก็อาจจะเร า, า จ, จะเบื่อมันนะเบื่อนะเบื่ออุดมการณ์เบื่อคู่รักเบื่ออะไรต่ออะไรมากมายในะเวลาเราเวลามันมีความคิดหรืออารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเนี่ยก็ จะพึ่งผีผามนะจะพึ่งผีผามไปทําตามมันเจะพึ่งผีผามไปยกย่องเชิดชูมันหรือว่าปลื้มกับมันนะดูมันไปสักกอดนะดูมันไปสักพักนะใต่ตองให้ดีๆเหมือนกับเราเราดูของเราถือของแล้วก็ดูอย่างละเอียดนะว่ามันมีข้อบกพร่องมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างเนะี่ย อันนี้ทําให้ความคิดเนี่ยมันเราครอบงาจิตใจเราน้อยลงมันจะกลายเป็นมันจะไม่เป็นเป็นนายเรานะแต่ว่าเราจะเป็นนายของมันถ้ามันดีเราก็ใชใ้มันให้เกิดประโยชน์เนี่ยเราก็ใช้แล้วนี่ก็รู้จักวางรู้จักหยุดเนี่ยไม่ปล่อยให้มันครอบงาใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับจนกระทั่งเหนื่อยเมื่อยล้าเพราะว่าหยุดคิดไม่ได้